บิบด ah, ิบไกมาเลยบิกไวไหมเจียนอืมก็เป็นนั้นว่าในช่วงการภาวนาช่วงนี้เราเราได้ถือว่าเป็นวัสุดท้ายของการภาวนาในจุดนี้ซึ่งเป็นสูตรที่คนคลายสบายตามที่เราต้องการจะทำ เพราะว่าในการฝึกฝนแบบผู้ใหม่นี่จะทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้มีการได้มีเวลาได้เตรียมตัวเองแล้วก็สังเกตโดยที่ไม่เป็นแบบหรือทางการตึงนไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าศรัทธาและความเพียรนี่จะเข้มแข็งตามสติปัญญาถ้าสติปัญญา ไม่ติบดตั่ถ้าเราไปเพียงตามมากเกินไปก็ทำให้เราเครียดศรัทธาและปัญญาต้องมาก่อนแต่ถ้าหากว่าศรัทธาและปัญญาเข้มแข็งแล้วความเพียนนีเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปานะัาเพราะนั้นตัวความเพียนหมายถึง <c oughs> สิ่งที่เป็นส่วนเล่งเล่งความร้อนแต่ถ้าหากว่า สนะัทธาเหมือนเหมือนน้ำปัญญาเหมือนความเข้มแข็งจะได้หากว่าตัวเพียรเหมือนแสงแดดแล้อเนสิ่งที่ไฟอบ ก, ก็จะให้แก่ให้สุขได้ก็ต้องอาศัยความเนิยวแน่นกวัตถุนั้นอาศัยน้ำหนักดังนั้นจิตของเราก็เหมือนกันที่จะมีสัทธาและความเพียรได้ตนะ้อาศัยเวลา ฟังนะความเพียรก็เจริญดำศรัทธาและปัญญาอันนั้นเวลาเราทำเราต้องการอย่างเดียวเพียงแต่ว่าให้มาอยู่กับกายตัวเองให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เป้าหมายหลักเบื้องต้นม่แค่นั้นนะมาอยู่กับกายตัวเองเป็นแล้วก็อยู่กับใจตัวเองเป็นเมาอยู่กับใจตัวเองเป็นก็ื่องหมายว่าอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะ แต่อยู่กับกายกับใจตัวเองยังไม่เป็นแล้วก็จะอยู่ยากยากอยู่ไหนก็อยู่ยากกินไหก็กินยากนอนก็นอนยากหลักก็ยากกินก็ยากไปก็ยากมาก็ยากหมดเพราะเรายังกายใจของเราอยู่ไม่เป็นไปในทางเดียวกันมันขัดแยงกันอยู่การปฏิบัติขก็มู่เพื่อที่ทําความเข้าใจความเข้าใจกายกับใจ เพื่อที่จะให้มันเข้ากันเป็นอันเดียวกันนะซึ่งก็อาศัยการทำบ่อยๆการสังเกตบ่อยๆการศึกษาบ่อยๆที่มันเข้ากันไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะเข้ากันแล้วมันไปคนละเนื้อคนละทิศละทางก็ไม่ได้เข้ากันแล้วให้มันสนิทสนุมกันเหมือนขนมนะเพื่จะเข้ากันได้ก็ต้องมาบดมาปนมาอัดมารีดมาคน กายกับใจเหมอนกันกาจะเข้ากันได้กาจะลงมาทำแบบนั้นหลอ <c oughs> จู่ๆเราจะเอาเข้าสารไปวนกะับน้ำกับน้ำตาลให้เป็นขนมเป็นไปนไม่ได้เราต้องเอาเข้าวสารไปแปลงเป็นข้าวสุกเป็นแปง้งมันล่อนแปง้งละเอียดถึงจะเข้ากันได้กายกเหมันกันกนจะเข้ากับใจได้กายมันจะต้องนุ่มนวลกายมันจะต้องอ่อนโยน ก่จะต้องยึกเย็นกายต้องสงบพอแจบางที่จะเข้าไปได้หรือบางที่เราจะปั้นรูปเนี่ยเรา จ, จู่ๆจะเอาดินไปใส่น้ํามาปั้นเลยไม่ได้เราต้องเอาดินไปบดไป ป, ไป่นไปกรองไปคัดไปแยกเอาสิ่งเอาทรายเอาสิ่งอะไรออกจนกระทั่งเหลือแต่ดินล้วนๆไปส่งน้ำในอัตราส่วนที่พอดีน้ํามากก็ไม่ได้น้ําน้อยก็ไม่ได้ กายกับใจเราเมื่อกันต้องสมดุลกันเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะทําให้ปรับเปลี่ยนไปยังไงได้วัตถินสักก้อนเข้าผสมกันพอดีๆแล้วจะปั้นเป็นว่าเป็นควายเป็นหมูเป็นม้าเป็นเกีดเป็นไก่เป็นคนเป็นช้างเป็นม้าได้ทั้งนั้นดินก้อนเดียวนะกายกับใจของเราเมื่อปรับเข้ากันได้แล้วเราจะเป็นอินเป็นพรมเป็นเทวดาเป็นผีเป็นเป็ดเป็นยักษ์เป็นพระได้หมดเหมือนกัน กนะายใจอันเดียวกันนะแต่ว่าสามารถแปลงปเป็นอะไรก็ได้เหมือนดินก้อนเดียวก็ปั้นเป็นอะไรก็ได้นะี่ความหมายของมันนั้นเองเราจึงต้องทําให้มันถูกโดยที่ไม่ต้องหวังจะทําทให้มันถูกแต่คนเส่วใหญ่หวังที่จะได้จะมีจะเป็นแต่ว่าทําไม่ถูกหวังยังไงก็ไม่ได้แต่พอเราทําถูกแล้วนี่ไม่ต้องหวังมันก็ได้ เพราะฉะนั้นทํายังไงให้มันถูกคําคว่าถูกต้องนี่หมายความว่ากายมันเบาใจมันเบากายมันสบายใจมันสบายทํำยังไงให้กายสบายก็ทำแต่อย่ติสบายทํำยังไงให้ใจสบายก็ทำแต่อย่ติดสบายสากความสบายเอาไว้ใช้ความไม่สบายก็ต้องมีเหมือนกันเอาไว้ใช้ถ้าไม่มีความ ถ้าม er any <Yeah. S 2> <Ng> ีแต่ความสบายอย่างเดียวก็ไม่ได้จะมีความไม่สบายอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีทั้งสองอย่างเหมือนเราจะแกงแกงขงข้าวเนี่ยมันจะมีแต่น้าอย่างเดียวก็ไม่ได้มันจะมีแต่ไฟอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้ามีน้าอย่างเดียวข้าวก็ไม่สุขถ้ามีไฟอย่างเดียวข้าวก็ไม่น้ำไฟพอๆกันความสบายเหมือนน้าความไม่สบายเหมือนไฟ ก็จำนวนเท่าๆกันมันถึงจะทำให้ใจนี้สุขได้ใจนี้เย็นได้ใจนี้มันนิ่มใจนี้มันสุขสุขกกอไก่รากว่านี้ใจมันดิบอยู่น้ำก็ไม่พอไฟก็ไม่พอนะอบเท่าไหร่อมลมเท่าไหร่ก็ยังไม่ยอมสุขเพราะว่ามันไม่พอนะนัง <c oughs> นั้นเองเราก็ต้องพยายามปรับ ให้มันเท่ากันทำอย่างไรให้น้ํามีไฟมันเท่ากันให้ความสบายไม่สบายมันเท่ากันความคิดก ouais, ับความรู้ก็ให้มันพอๆกันความรู้สึกตัวเท่าไหรความคิดเท่าไหรมีความคิดเยอะแยะความรู้สึกตัวนิดเดียวก็ไม่ได้ความรู้สึกตัวมากมายแต says, ่ความคิดมีนิดเดียวก็ไม่ได้นี่คือความเหมาะเจาะความสมดุลความพอดีของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง มันเป็นสากลสูตรที่พระ้าคพุพจนเป็นสากลทั่วไปทุกอย่างทุกรูปทุกนามไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนลืมแม้แตส่สิ่งที่เ ป, ป็นวัตถุสิ่งของก็เหมือนกันอันไหนที่มันไม่พอดีมันใช้ไม่ได้มันพอดีแกงไม่พอดีก็ไม่อร่อยแกงพอดีมันก็อร่อ ย, อยนี่เป็นต้น ดังนั้นเองไม่แต่ผ้าเสื้อที่เราใส่มันต้องพอดีกับตัวเราถ้าไม่พอดีกับตัวเราก็ใส่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นวัตถุรองเท้าอย่างเงี้ยมันใหญ่เกิน ก, ก็ไปใส่ไม่ได้เล็กเกินเท้าเราก็ใส่ไม่เพราะฉะนั้นให้ความมีบอดีที่เป็นวัตถุเนี่เราใช้มันเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตที่จะน้มนํามาใช้กับจิตใจของเราจะทำไงให้จิตใจของเราเกิดความพอดีเนี่ยทำไม่ค่อนเป็น แต่ความพอดีภายนอกนี่ <c oughs> คนก็หาเป็นนะนะหาเป็นหาความพอดีภายนอกง่าย <c oughs> แต่ว่าหาความพอดีภายในายตากับเห็นไปเรื่องยากเดินเท่าไหร่มันก็ไม่พอดีเดินแช่มันพอดีก็ไม่พอดีนะมากไปน้อยไปมากไปก็ไม่สบายน้อยไปมันก็ไม่สบายหายากก็หาอยู่เงนินยนะนะ น, น, นั่นนี่คือความหมายของกาปฏิบัติธรรมถ้าทำได้มันก็สบายทีนี้มันสบายแบบไหนนี่ก็บอกในทุกเหมือนกินอาหารอร่อยแล้วบอกว่าสบายก็มันอร่อยเเหมือนแกงอร่อย ก, ก็บก็พอดีชีวิตนี้มันอร่อยถ้ามันพอดีนะ <c oughs> นั่นเองใน การที่เราทำช่วงเช้าช่วงเย็น ก, ก็ทำได้มากขึ้นเนะอามุ่งที่ให้เกิดความเข้าใจพอเขาเข้าใจแล้วนี่มันจะเกิดความรักความชอบความเห็นประโยชน์เห็นอา น, นิสงเราจะขวนขวายเองไม่ต้องรอว่าจะถึงเวลาปฏิบัติก่อนไม่ต้องรอว่าจะต้องไปวัดก่อนไม่ต้องรอว่าใครมาบอกมาสอนก่อนไม่ต้องมันอยากจะทำมังเอง เมื่อมันรู้เข้าใจสาระนะแต่ถ้ายังไม่รู้เข้าใจสาระแจ่มแจ้งชัดเจนมันก็ทําแบบฝืนๆคืบๆไปไ ง, ไงแหละแต่เข้าใจสาระชัดเจนแล้วมันก็ต้องการเหมือนเราเข้าใจว่างเงินเนี่ยมันแสดนงความต้องการได้เราก็มีอยู่ที่ไหนแล้วก็หาหาบุงหาบุําเจ็บปุ๋ยไงก็หยุดไม่ได้เพราะเราเห็นคุณค่าของมันใช่ไหมเมื่อไหได้เมื่อไหร่เราเห็นคุณค่าของ ธรรมะนี่เรายิ่งหายยิ่งกว่าเงินอนีกหาเงินนี่ก็ยังว่าเป็นเวลามีเวละแต่หาธรรมะนี่ทําตลอดเวลาเลยมันจะเสียดายความรู้สึกตัไวไปมันจะเดินแต่ละครั้งจะก้าวแต่ละทีนี้ทํำให้ใหมันรู้สึกมันไม่หายใจทิ้งเหมือนมา ก, ก่อนเมื่อก่อนหายใ จ, ใจทิ้งแต่ลราชีวิตเราเป็นนี้มันจะเริ่มเก็บลมหายใจเป็นหายใจตอไหนที่ไม่รู้สึกตัวขาดทุนไปแล้ การหายใจใหม่นีจะเก็บได้เยอะทีเดียวแหละนะนก็จะทําให้เราพัฒนาได้ไวนะนี่หมายความเข้าใจถ้าเข้าใจเรื่องพัฒนาพัฒนาได้ไวเราจะเก็บได้ไวแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็หายใจทิ้งมันเดิมเคลื่อนไหวทิ้งมันเดิมไม่ได้บรโยชน์แต่ความจริงพลังการเคลื่อนไหวทั้งหมดคือพลังมหาศาลเลยนะเป็นโมเมนตัมเหมือนกับฝนที่ตกมา พลังมหาศาลแต่ถ้าหากว่าไม่มีเขื่อนเก็บกักเอาไว้ก็หลนุทะเลหมดเหมืนกัก น, นแต่พอมีเขื่อนเก็บกักไว้มันก็เป็นพลังน้ําที่มหาศาลใช้อะไรก็ได้ปั่นไฟฟ้าใช้การเกษตรใช้การประมงใช้ทุกอย่างเหมือนกันนะวัตถุรูปเสียงกิริยสัมผอารมณ์ที่มันตกมาสู่กายสู่ใจของเราเนี่ยมันจะเป็นพลังมหาศาลแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญากั้นเอาไว้นะ เมืนเขื่อนมันก็ไหลไปกับอารมณ์ไหลไปตามความโลภไหลไปตามความโกรธไหลไปตามความดุลงจมไปสู่ทะเลของความทุกข์ไม่อยุยดหย่อนแต่พอเรามารู้คําสอนพระเจ้าปับ๊บเราเลยสร้างเขื่อนเรารู้ว่าการกระทบการเคลื่อนไหวนี่ต้องมีแน่ น, นอนเหมือนการไหลของฝนต้องมีแน่ น, นอน ท, ที่จะทำไงใ ห, ให้การลื่นไหลอันนี้ให้มันมีสิ่งที่กั้น ไมให้มันเป็นกระแสของไหลต่ําแต่มันเป็นกั้นกระแสเพื่อให้มันไหลสูงขึ้นไปพอมันไหลสูงขึ้นไปเมื่อกลายเป็นพลังน้ํานะจะเป็นประโยชน์หลักการเดียวกันนะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยแต่ว่าเราจะมีกําลังในการกั้นมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเราสันเขื่อนของเราจะท่าได้สูงแค่ไหนถ้าสันเขื่อนสูงก็ยิ่งได้น้ามากและสันเขื่อนต่ำก็ได้น้ําน้อย สติปัญญาสูงก็สามารถกั้นกระแสการเคลื่อนไหวได้สูงเป็นพลังมหาศาลจะสติปัญญาน้อยที่เราสร้างนะต่ําก็กั้นกระแสได้นิดเดียวมันไม่ค่มีพลังเท่าไหร่นะในเวลาสร้างเขื่อนที่เราสร้างบนภูเขาพราะมันจะได้อาศัยภูเขานะเป็นสันเขื่อนจะได้สูงๆนั่นคือความหมายเหมือนกันนะจะทำยังไงพัฒนาสติปัญญามันสูงขึ้นสติปัญญาที่เป็อุูปตะลัพัฒนาได้นะ ตามใจที่มีสติตามรู้การเคลื่อนไหวปัญญาก็เกิดเรื่อยๆแต่เมื่อใด ล, ล, ละเลยสติตามรู้เคลื่อนไหวปัญญามก็ไม่เกิดไม่ไม่โตอันนี้ปัญญาโลภุตระสําหรับปัญญาโลกียะนั้นทุกคนได้มาจากการศึกษาการเรียนรู้การบริหา ร, รการจัดการการได้ยินได้ฟังการจดการจําอันนั้นเป็นโลกียะปัญญาไมไ่ไม่ได้แก้ปัญหาความทุกข์เนปัญญาเพิ่มทุกข์ แต่ปัญญาที่เรามาสร้างขึ้นเนี่ยเป็นปัญญาแก้ทุกข์ปัญญาดับทุกข์เราทําเป็นนะนั่นเองก็คิดว่าคงจะพอเข้าใจได้ที่เราทํากันมาแล้วก็เราจะนำเอาุลพวงนี้ไปใช้ที่บ้านของเราดูถ้าใช้เป็นมันก็จะงอกงามแต่ใช้ไม่เป็นก็นจะหมดไหวเหมือนกับเราหาเงินมาหน่ะมาที่นี่หกเจดวันเหมือนกับมาหา เงินต้นทุนได้นะทีนี้เราเอาเงินนี้ไปใช้หรือจะไปทําให้มันเกิดกําไรถ้าไปค้าก็เกิดกําไรใช่ถ้าไปใช้ก็กกกหมดแต่ว่านักแสวงหาที่ดีต้องเอาไปค้ามันก็อไปต่อให้มันมากขึ้นเอ า, เอาได้ได้ตนน้นทุนละตอนนี้แล้วก็ไปค้าที่ไปต่อให้มากขึ้นคื อ, อยังไงสมมติเราได้จับสักอัน มันได้สองอย่างหนึ่งคือได้วัตถุนี่มาสองคือได้ความรู้สึกแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ก็คือจับมาเลยก็ได้อันเดียวคือได้นี้แต่ความรู้สึกอันนี้ก็เรยขัดทุนแต่ถ้าหาว่าเราเอาื้อมไปหยิบอย่า ง, งรู้สึกตัวเอื้อมไปจับอย่า ง, งรู้สึกตัวได้กําไรนี่เราหยิบร้อยครั้งเนี่ยเรารู้สึกตัวแบบนี้กี่ครั้งถ้าห้าสิบครั้งขึ้นไป ไม่ก็มันรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่รู้แค่หสิรู้แค่หโอเคเท่าตัวไม่ขาดทุนแต่ถ้าต่ำกว่า5้าสิบลงมาเริ่มขาดทุนเลยนใช่ไมามต่ำลงมาเท่าไหร่ตา 10, ่า10บก็ขาดทุน10ต 20, ่ำยี่บเปแต่ถ้ามันเพิ่มจาก50เปอรเท่าไหร่ตา่าเราเคลื่อนไหวร้อยครั้งเนี่ยเรารู้ถึง60สิเจครั้งมายความว่าเป็นกำไร2 0่สิบสนไปได้แต่เคลื่อนไหวทั้งร้อยครั้งเรารู้แค่20 30ครั้งเราก็ขาดทุนไปถึด 80, 80ครั้ คือเป็นทุนเป็นกําไรวันนี้เคลื่อนไหวได้เท่าไหร่บิ น, นเคลื่อนไหวได้เยอะอตามรู้ได้เท่าไหร่ทั้งวันนะทั้วันแล้วรู้ได้เท่าไหร่รู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งคึค่งเึ่งใกล้จะขาดทุนแล้วนะนขยับลงนิดเดียวก็ขาดทุนแนละ้วไม่ต้องเกินครึ่งอนะยังเกินครึง่ง ราก็ต้องคิดกันแบบนีนะ้ในการปฏิบัติให้คิดออกมาให้เป็นรูปธรรมไม่ได้ถ้ามีคิดออกมาเป็นรูปธรรมเราก็อ ไ, ไม่แน่นอนละแสดงว่าเราไม่จริงจังตัง น, นั้นพยายามคำนวณออกมาเ ป, ป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าจะไปเคลื่อนไหตอนที่ไปนั่งสร้างจาังหวะหรือเคลื่อนไหวตอนลูงผ้าตอนาบน้ําตอนกินข้าวตอนเดินหันไปที่ต่างๆ่างจับอันไหนพลาดแล้ว ไปตั้งทานู้ใหม่ทุกทุก้าวไปแต่ว่าสังเกตเวลาเราเดินอย่างมีสติี่มันจะเบาซอฟแต่ถ้าเดินแบบขาดสติมันจะหนักตึงตึงตึงตึงตงใช่ไหมสังเกตไหมเมื่อกี้วินเดินมานี่มีสติและขาดสติกูร <c oughs> พ่อดูชักยนั่นมาเป็น เป็นร้อยก้าวพไม่เห็นว่ามีสติสักก้าวหนึ่งมันดังลูกก่าเพราะฉะนั้น่ึงนี้เราเราเป็นรูปธรรมพิสูจได้ไม่ใช่ว่ามันจ ะ, ะประเมินประมาณแบบอะไรเหตุผลไม่ใช่แี่แพิสูจน์ได้และ้วอะไรก็ตามมันสกิเวลาเราทำอย่างมีสติมันจะซอบมันจะนิ่มแล้วก็รู้สึกตัวเบาสบายซอฟนี่ไมฟูีเชนเดอร์นี่ฟรีนี r e l a x i n g l ิเมันจะลักษณะของมันนะดังนั้นเองก็ให้เอาไปซักซ้อมบ่อยๆซักซ้อมบ่อยๆหาทรัพย์โค้ชทรัพย์มาเยอะแล้วพอได้อยู่ได้กินแต่ว่าอริีอทรัพย์นี่มันจะต้องหามากกว่านั้นนอกจากได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้สอยแล้วยังเป็นทุนที่จะนำไปต่อชาติหน้าได้ด้วยนะอริีอทรัพย์นี่ พวกกระซับมาเข า, มมเขาไปกินแล้วก็แค่เราเข้าลรงพยาบานแค่เข้าไปช้าเขาจบหลักแต่ว่าอาลีซับนี่ตายไปแล้วมัยังสูงต่อไปเ <c oughs> หลือต้นทุนต่อไปชาตน้าอีนสมมุติว่าเราชาตินี้มันไม่พอที่จะไปนิพพานได้ใช่ไหมชาตหน้าก็ไปต่อง่ายขึ้นชาตหน้าก็ยังง่ายกว่า น, นี้ดังนั้นหาให้เยอะ ื <ừ. S 2> ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยจะมีช่วงไหมคะว่าเราพอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยควรจะมีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยไมยควรถ้ตอนสมัยหนูไปวัฒนารรในอะค่ะหนูจําได้แม่ทราบว่าพระอาจารย์เคยเห็นไหมมีพี่คนเรืรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนของพี่เอผู้หญิงน่ะที่ตอนนี้เป็นเป็นอะไรอะเป็นนายกเพื่อนภูนธรรมหรืออะไรทุอย่างเน <ừ. S 2> ี <ừ. S 2> ่ยเรียกว่าเกลียบปราชอืม แล้วถได้ย <fe as> uh, the ินหลวงพ่อว่าถ้าจะทำถึงตอนนี้ต้องมีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยคุณยากทราบว่าถึงช่วงไหนคะที่ว่าควรจะไม่ควรทําเองอ๋อตอนนั้นนะธรรมะมันจัดสรรถ้าสมมุติว่าเราทําไปจุดหนึ่งที่อ๋อมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าต้องการครูบาอาจารย์เราจะขนของขายเองเราจะรู้กําลังของเราเองเพรมันเกิด สงสัยอยู่นี้เนี่ยใครแก้ไม่ได้เราก็เราจะไปพบครูบาอาจารย์เองแต่บางคนที่มีความอยากสูงกว่าคาําเพียนนี่ยนะนเพียนด้วยความอยากของมันเถอะมันก็จะเพียนง่ายเหมือนกัน <c oughs> ฉะนั้นตรงนี้มั น, ม, น, ม, นมันมีเน้นอยู่คราว่ามีจิตสํานึกอยูอ่แต่บางคนที่มีความอยากสูงเนี่ยมันบางทีจิตสํานึกมันน้อยมางทีก็ทําทะลุอุบากไปมางที่ก็หลงเข้าเข้าพงไปก็มี แต่ว่าโดยที่เราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยจะดูว่าเออทาไปแล้วรู้สึกเออมันตึงมันเคร่งมันเครียดมันไม่สบายก็ถือว่าผิดปกติไว้ก่อนแล้วก็ถอยแต่ทํำไปแล้วรู้สึกมันเบามันสบายรู้สึกสนุกเรื่อยๆเออแสดงว่ามันใช้ได้ปวดขานี่ผิดปกติไหมคะอ๋อปวดมันถ้าปกติมันปวดหรือไม่ปวดปกติมันหนูไม่เคยเดินเยอะอย่างเงี้ยอ๋อไม่คขาปกติมันเป็นของที่ปวดหรือไม่ปวด ปกติธรรมดาของมันมันปวดหรือไม่ปวดปกติถ้าเยอะเยอะตัวคุจะปวดนะถามว่าปกติไม่ได้ทําเยอะมาทําน้อยไม่ได้ทำมาทําน้อยทํยาว่าปกติกตใช่ไหมมันก็ไม่ปวดเนี่ยนั่งเงแต่มันปวดแสดงมันผิดปกติแล้แล้วก็ต้องกลับให้เขาทำเอาแล้วก็ทําให้มันน้อยลงมาทําให้มันเบาลงมาได้ไม่ใช่ทําน้อยทํำไงถ้าทําให้มันหนับมันก็ หนะักทำให้มันเบามันก็เบาอ๋อเราก็มีวิธีอ๋อไม่ใช่มีวิธีเดินเดินพอทําท่าจะหนักแล้วก็นั่งเมื่อทาท่าจะง่วงแล้วก็ลุกขึ้นอีกก็เปลี่ยนอย่างนั้นถ้าขยันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในคาว่าความเพียรคือขยันแก้ไขนะไม่ใช่ขยันทํานะจะนั่งเฉยเฉยก็ได้แต่ว่ามันขยันแก้มันอจะง่วงก็แก้นะ เพราะนนเดินไปข้างหน้ามันปวดก็เดินถอยหลังเดินถอยหลังมันปวดก็เดินออกข้างเดินออกข้างมันปวดก็เดินช้าเดินช้ามันปวดก็เดินไวสลับก็ไปทางมาอันนี้เราจะเดินหมดเดียวอ่ะมันคงจริงอ่ะเดินเรื่อยๆก็พิธีหายง่วงก็ไม่ยากเราก็จะไปเดินอยู่กับที่เนี่ยเดินออกแค่ที่ไปสักพักหนึ่ง่าไปเดินซ้ําอยู่ที่เก่าจะเดินอ้อมเนาะ เดินตรงนั้นเดินเดินไปตรงนั้นก็เดินโยกลมกันนจะเดินแบบอีแบบหนึ่งคือเดินเดินไปเจตนาว่าจะเดินออกจากที่นั่นแต่รู้สึกตัวเหมือนกับเดินโยกมเดินไปตรงนั้นนคือเดินถอยหลังบางเดินถอยหลังยังง่วงอยู่ก็เดินถอยหลังไวๆให้มันชนต้นไม้ต้นอะไรไปก็จะตื่นที่เนี่นะถ้ามันจะง่วงไม่ได้หรอกแต่นี่วิธีการแก้ของเราน่ยมันไม่พยายามแก้มันก็เลยง่วงไปเรื่อย ก็ได้จะได้ผลเท่ากับการที่ว่าเราไม่ต้องทํางานเดินอย่างเดียวขึ้นอยู่กับเจตนาของเราหนักแน่นแค่ไหนในการทํางานคือมั่นใจว่าความรู้สึกอยู่กับการขึ้นว่าของเราเจ็สิเซให้ได้ขึ้นไปของตัวเราดูมือเนี่ยนะถ้าสามารถมั่นใจว่าเจ็ดสิเปอร์เซนที่ฉันยินอันนี้แค่สามจุดปอร์ซนี่ก็คือปฏิบัติตลอดเวลานะ ก้าวเท้าปเนี่ยให้รู้สึกถึงความหนักหน่วงของเท้านีนต์แต่ว่าเราจะสู้สัญชาตญาณความเคยชินไหวไม่ได้แน่ๆเือแป๊บเดียวมันพุดไปเลยแหละตรงนั้นคือความยากของมันเพราะความเคยชินมันยังสูงอยู่แต่มันอยู่มันสู้กับความตั้งใจเราไม่ได้หรอกถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยมันได้ตอนแรกมันอาจจะชัดสิน่วงชัดอาจจะสาครั้งหครั้งต่อไปมันก็เยอะขึ้น6ครั้งเจ็ครั้ง มันรู้สึกมันชัดน้อยลงนะเราก็รู้เอามันไม่ค่อยชัดแล้วก็ปรับปรับให้มันชัดอพอปรับใหมันชัดสักพักเอามันไม่ชัดอีกก็ปรับใหม่ถ้าเรามีความเพียรอย่างนี้นะบางทีไม่ต้องปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติในงานได้ผลเดียวเลยละเพราะอยู่ที่ความพยายามปรับแต่ที่เราให้ทำแบบนี้เยอะเพราะว่าไม่ไแน่ใจว่าเวลาไปทํางานเราจะทําอย่างนี้ได้หรือเ่าเพราผมันฝืนเยอะเลย พอไปเจอเพื่อนคุยเนี่ยหลุดเลยะงั้นเพื่อนชวนคุยก็ไปละอันนี้ก็ใช่เพราะเราเพราะว่ามันเป็นเพื่อความเคยชินเราหลุดกับมันไปง่ายๆแต่ถ้าเรามีศรัทธามีปัญญาขนาดที่ว่าไม่หลุดอย่างนั้นแหละยอดเลยลองทําดูจะ <c oughs> ไม่หลุดว่เป็นไปไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ทานเนี่ยก็ห่อให้ตามไม่ก็ห ล, หลุดก็ให้รู้ว่าหลุดแล้วก็ ขันนดใหม่จับสมมติล้อมันลมหลุดงี้ไงนะล่วงหลุดปั๊จับใส่ไม้ขันนอดใหม่เป็นมสักพักอัดุดอีกก็ขันนดใหมายอยู่ขยันทำไปบ่อยเดี๋ยวก็ชำนาญขึ้นดังนั้นไม่ยากแต่ว่าประการสำคัญก็คือเราจะสามารถตามรู้ได้อย่างต่อเนื่องไหมแค่นั้นเองเล็กๆน้นอยๆนี่นะอันนี้ต้องมีศรัทธา แต่หากว่าเราทำไปแล้วมันตึงมันเครียดมันไม่สบายก็ก่อนววันนิดหนึ่งอาจจะถ้าเรารู้เจ3 0สสมสบมันตึงไปแล้วก็ลดเสีอห0 4 0บสี่สก็จะสบายหน่อยหลวมหน่อยนะแต่ถ้ารู้สึกเออมันหลวมเกินไปขยับไป8 0ดสบยี่สนี่แล้วแต่หาความพอดีให้เจอจะง่ายขึ้นนะอันนี้คือสรุปในส่วนที่เราทำกันมา 3วัน4ี่วัน5วันนี่ทีนี้ก็ในช่วงนี้ก็มี อ, ออกจากนี้แล้วก็อยากจะให้ไปร่วมกิจกรรมตามคอนเซปต์หลักของเราก็คือการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้มันสมดุลกันสุขภาพกายบางทีเราไม่มีประสบการณ์ในรายละเอียดเราก็ศึกษานราศึกษาจากเฟ e บุ๊กอีเมลที่เขาส่งไอ้ข้อมูลทางด้านทางด้านสุขภาพมาเยอะแยะแต่ว่ามันอาจจะ ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนเหมือนเราไปศึกษาจากคนที่มีประสบการณ์นะเพราะงั้นก็อยากจะให้ไปศึกษาเพราะเราไปในวิธีการที่หลวงพ่อทําลว่อจะทำสองสองอย่างให้สมดุลกันเรื่องกายเรื่องจิตเ ร, เรื่องการดูแลร่างกายดูแลจิตใจให้สมดุลแล้วก็พยายามที่ทําให้มันเป็นนิสัยเป็นชีวิต แค่ว่าพอไม่สบายก็วิ่งทำเจ้าทีพอสบายก็ประหมาณอย่างเี้ไม่ <Yeah. S 1> เอาให้สมุดเรื่องสมุดปลายแล้วค่อยบอกค่อยเตือนกัน <Yeah. S 2> จริงนะในเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องอาหารเรื่องเดียวเนี่ย <Yeah. S 2> เกือบจะดีหมดทุกเรื่อง <Yeah. S 2> จัดการเข้าให้สบายออกให้สบาย <Yeah. S 2> ให้ให้มันเห็นกระบวนการทั้งหมดอะ <Yeah. S 2> อะไรที่ทําให้ร่างกายเราไม่ดีอย่างเงี้ยทำให้เรา หนักแล้วก็อย่าเอาเข้าไปอะไรที่ทําให้ร่างกายเราเบาเรื่องผักผลไม้ทานก็ทันมากก็หนักอย่างเงี้แล้วก็ทานนิดหน่อยติดรสชาติเยอะแต่พอเขก็ธรรมดากติ้นได้น้อยน้อยอย่าติดเยอะก็ติดรสชาติมันก็ให้ติดรสชาติที่ไม่อร่อยเริสชาติอร่อยเไม่ติดอะไรที่สมมุติว่าผั่กินเยอะๆเลยติดผักมากเชี้ยวแกกินยาผัก อย่านเป็นต้นอย่าไปติดน้ำมันอย่าไปติดน้ำตาลอย่าไปติดรถจัดรถหวานรสอะไรจัดเลยนะให้ติดแบบนั้นติดรถธรรมชาติอันนั้นดีแบบนั้นดีอยู่เล่นอยู่เฉยๆจับผักมานั่งเคี้ยวกินเฉย อ, อยเงี้ยแทนที่จะไปนั่งเคี้ยวขนมบกรอบขนมทอดอะไรพวก น, นี้ยอันนี้ถ้าติดแบบนั้นไม่ดีเพรามันไปทําให้ร่างกายของเราผิดระบบคุณมาได้นะ ทกลงว่าพวกนี้พวกเราไปสำหรับผู้ที่เก็บปฏิบัติต่อที่นี่อย่างประแตวยมมนายมอาลาพินนี่ก็ไปคอดใกล้ๆเนี่ยอายุมากเราไม่ต้องไปไกลไปคอใกล้ๆที่ฮองบุญโสร่ใจวันที่ 21-24 ครั้งเดือนนี้ใครไม่รู้ไปเผยชวนประเตลวอุ่นวายไปหมด ถ้าหลวงพ่อไม่สั่งเลยไปชวนให้เสียดุมเขาเงิน <c oughs> ไปเที่ยวควรควรชนคนนี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูว่าคนที่ไปไม่สะดวกมาไม่สะดวกกไปใกล้นี่นะแต่ว่าพวกเราที่มาจากเที่ยต้องไปไกลเพราะว่าต่างคนต่างมีเวลาจํากัดมันมีแต่ช่วงนี้เท่านั้นที่เราจะไปได้ใช่ไหมถ้าถูกใจช่วงนี้ก็เป็นการไปงานเราก็ไม่มีเวลานะ้ ก็มาไหนมาในชุดนี้ก็ให้มันได้พุ่งันไปเลยก็ได้ทั้งสองอย่างหนึ่งสติก็ได้เ่สุขภาพก็ได้ก็มาที่นี้ก็ไม่ขาดทุนใช่ไหมแต่ประการสําคัญอาอบรมแล้วจะเอาไปใช้หรือเปล่าก็ต้องให้คนหนุ่มอย่างเจ้าวินเจ้าปูมีความจำดีๆไปช่วยคนแก่จำานะ เวลาพ่อแม่ไปทําให้ถูกก็ท่วงเลยนะนีเ่เขาสอนว่าอย่างนี้ถ้าไ ม, ไม่ทําอะไรเลยเรจะท่วงได้นะถ้าเธอไม่เป็นไม่เป็นคู่มือด้วยเดี๋ยวเาก็เขาก็ทําไปจาเรื่องของขนะแต่ถ้าเธอเป็นจำไปฟังแล้วก็พ่อคุณอายุมากก็อาจจะลืมง่ายอย่างเราหนุ่นมๆความจําดีอยู่ใช่ไหมหรือนี่แม่เขาบอกให้ทําอย่างงี้กินหวานไม่ดีอย่างนี้นะแม่บอกอย่างยๆก็จะทําตามแล้วมันช่วยไปได้ด้วยเออกินเค็มมันไม่ดีอย่างนี้นะ อันนี้เขาบอกให้กินตามเวลาอย่างนี้นะอะไรเนี่ยเราก็ช่วยเป็นคู่มือให้อันนี้คือต้องไปด้วยกันเราก็ต้องเราไม่ใช่ว่าจะหนุ่มอย่างนี้ตลอดใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ต้องเจ็บเหมือนกันเราก็ต้องเตรียมแก้ไขตัวเองนั้นคอนเซปต์มันก็คือว่าทํำไงที่เราจะพึ่งตัวเองได้ทั้งกายทั้งใจอันนีก้กายพึ่งตัวเองไม่ได้ใจก็ดียากนะ เอากายมาให้พึ่งหมอพึ่งยาเงี้ยนั้นหลังจากที่หลวงพ่อมาฝึกวิธีการนี้แล้วก็ดูแลตัวเองตลตอดไม่ค่อยเจ็บค่อยได้ป่วยเนยค่อยสบายร่างกายก็แข็งแรงทํางานได้ตลอดทั้งปีแก้ไขสนุกในการแก้ไขร่างกายมันไม่มไมดีขึ้นหรอกมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆแต่ทําให้มันเสื่อมช้าหน่อยให้นัวเองเราแก้ไขมันได้แต่ถ้าเราไม่มีวิชาการอันนี้เราจะเจ็บป่วยขึ้นมาคิดถึงหมอถึงยา ก, ก่อน แต่ถ้าเรารู้จักจวิธีนี้เจ็บป่วยอะไรขึ้นมาพุ๊บเรานึกถึงเหตุของมันมาจากอะไระเหตุมาจากแก้ที่เหตุมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าโรคพัฒนาจ็บนี่มันไม่ได้มาในรูปของพวกพับมามันมาในรูปของเวทนาเวทนาที่มันหนักผิดปกติสแสดงว่ามันเป็นอะไรสักอย่างมันปวดนาน เราแก้เราไม่หายแสดงว่ามมีอะไรผิดปกติเราก็หาวิธีแก้จอบเองนะแก้มันได้ก็ให้คนอื่นเขาแก้ให้เพราะฉะนั้นมันมีทางเลือกเยอะเลยเรแพทย์ทางเลือกคือคือเมื่ อ, อเรื่องหมอเรื่องยาไว้เอาไว้เลือกช้อยสุดท้ายนะแต่เรื่องแพทย์ทางเลือกเรื่องอาหารเรื่องการบริหารเลือดลมให้ปกติเนี่ย ก็ดูแลนะเพราะฉะนั้นหมอเขียวมีประสบการณ์ทางนี้เยอะอยู่ก็อยากให้ไปศึกษาอีกประการสําคัญก็คือเราจะได้เห็นตัวอย่างคนป่วยที่เขาไปรักษาแล้วเข า, าเป็นยังไงมาแล้วเข า, าไปทําอะไรมาเขาก็าจะไม่เล่าให้สุวรรฟังเราก็าจะรู้เราจะได้ระวังไงถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปเห็นตัวอย่างแบบนั้นก็รู้สึกไม่กลัวต่อนเรื่องที่เราใช้อยู่พอไปเห็นตัวอย่างอ๋อเขาทำนี้มาเมืเจอแบบนี้ที่เรากําลังทําอยู่นี่จะทําไงเราจะ เลิกได้มันก็จะแก้ไขได้ง่ายนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้นําเสนอนะพรุ่งนี้เช้าจะไปเวลาเท่าไหร่คำ anda เก้า โ, โมงเก้าโมงทีนี้ก็เตรียมกันแต่เช้าเลยฮนะึนั่นถึงไปก่อนก็ไม่แน่ น, นะเพราะว่าเราไม่รู้ทางก็ออกจาก ลำปางไปอีกเกืบชั่วโมงอะไปทางมืองปานไม่รู้ออามาก็ไม่เคยเห็นอืมเราได้โทรวันนี้เลยวันนี้โทรหากัะแล้ววันนี้เขาไปพูนมึงแปลมปาแปลไปดังไอ เิ่ง ป, ปะเปาวันนี้เขาไปช่วมันปูุงนี้่ออยเข้ามาที่เจสซอนอวันนี้เขาไปปะแปรพลัตตพเพิ่งไปอยู่เข้ามาอืมก็ก็ต้องออกไปพร้อมกันนะทําไมพร้อมกันเดี๋ยวมันก็ไปไม่ถูก <c oughs> อยากนี่ไปก็จากอ่านี่ไปลำปางชั่วโมงนึงจากลำปางไปเชสซอนก็ชั่วโมง รมเรืนเกือบสามเลแค้อนี่ไปเป็นเาค่ะเป็นเขาค่ะก็ไม่น่าจะมีเราไปด้วยนะไม่ใช่ไปเฉพาะเขาเราก็ต้องไปด้วยมันมันไม่ใช่ทางไปมันไม่ใช่ทางไปแม่ห้องสอนไม่มีเราทางลาบอย่แล้นะตรงลง ก็อาจารย์ยุทธก็จะพา ญ, ญาติพี่น้องไปด้วยถ้าสมมติอาจารย์ยุทธเอารถตู้ไปมันไม่เต็มนะเราก็ไปด้วยอาจารย์ยุทธก็ได้อาจารยุทธขับไปหรือรถเราเออรถตู้มันก็ดังได้พอๆกันรถตู้คันคันนี้ น, น, นนะถ้าคนไม่เต็มก็เอาไปสักคันหนึ่งมันจะได้ไม่เสียค่าน้ํามันอะไรต่างก็ดูว่าคนจะเอารถวัดไปหรือจะเอารถมัดาไป พรถวัดไว้ให้อาจารย์ดูแลให้อาจารย์ยุทธดูแลพอเรามาดูแลเราไม่มีเวลาดูแลอาจารย์ยุทธไปเก็บไว้ที่บ้านก็ก็ดูก็นัดอาจารย์ยุทธด้วยว่าจะมาเจอที่นี่หรือว่าเจอที่นั่นทีนี้ถ้าสมมุติว่ากลุ่มของคุณหยกจะไปก่อนมันก็ต้องไปรออยู่ที่ลำปางไม่ถึงที่อยู่ดีใช่ไหมพวกนี้ก็ออกสายแปดโมงเก้าโมงกจะร้องก็ไม่ต้องรีบก็ ออกรอมกันไม่ค่อยไปเพราะทางนู้นพวกทีมงานก็นมาเตรียมงานพรุ่งนี้เหมือนกันเพราะวันนี้เขาอยู่นู่นอยู่นี่เป้าอืู่อ่าพอจะมลเราก็ไปก็ไปส บ, สบายเพราะเก็บที่อยู่ที่นอนมอญมุอะไรล้าง้วยลางจานสบายๆมาท้งรีบเรียบร้อยนะ <c oughs> โอ้ยขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> มาเร็เวมาเร็วเ <c oughs> งินพรุ่นี้ก็ มาบฏิบัติธรรมวัชาวันเดียวนะครับเช้าวจ็ดโมงก็ดีแล้วนะ